การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในช่วงนี้ก็คือในช่วงการศึกษาในมหาปรินิพานสูตรซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระสูตรที่พรรษาการสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ะปรินิพานแต่ในวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเนี่ยนะเขาเรียกวันสงกรานนี่เหนกั จริงวันสงกรา น, นี่มันมีกี่วันเนี่วันที่สิบสามวันที่สิบสี่แล้วก็สิบห้าใช่ไหมในเดือนเมษายนโดยมากถ้า พ, พูดถึงในด้านของประเพณีเกี่ยวในด้านของสงกรารเนี่ยในหลายคนก็ก็รู้ว่าเออสงกรานแค่นั้นเองถ้าจะบอกว่าไอ้คาว่าสงกรานเนี่ย ไอ้ความเป็นมาอย่างไรเนี่ยโดยมากก็สืบสาวกันก็ก็จะไม่ค่อยเข้าใจที่จริงตามริที่เขาเรียกกันตรงๆก็เรียกอะไรเขาเรียกตรุดสงการใช่ไหมไอ้คาว่าตรุดคําเนี้เหมืนแปลว่าตัดนะคําว่าตรุดนี่แปลว่าตัดหรือแปลว่าขาดหมายถึงว่า ตัดปีหรือขาดปีหรือสิ้นปีอ่ะเข้าใจยังฉะนั้นหมายถึงวันสิ้นปีผ่านไปแล้วเนะี่ยตรุษนี้เป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได้ชีวิตผ่านพ้นมาด้วยความสวัสดีในรอบปีหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าส่งปีเก่าเข้าใจปะส่งปีเก่าฉะนั้นพิธีตรุษเนี่ยเป็นพิธีของพวกไหนเป็นพวกอินเดียตอนใต้ พระเจ้าธรรมันดั้งเดิมเขาเนี่ยเมื่อพวกธรรมินได้ครองที่เมืองลังกาที่ที่ศรีลังกาก็เอาพิธีตรุษเนี่ยตามรัธิของศาสนาของตนเนี่ ย, ยมาทําเป็นประเพณีบ้านเมืองทีนี้พอทําเป็นประเพณีบ้านเมืองแล้วเนี่ยนยีต่อมาก็คือว่าได้คิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิธีตรุด ให้มาเข้าทางคต e ิทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อถึงวันตรุษเขาก็จัดเครื่องสการะบูชาพระนันาไตรอันนั้นเป็นนักขัดแตเลิกก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดทันตังการนี่นะเขาสวดสามวันสามคืนคือก็เริ่มตั้งแต่แรมสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเดือนสี่จนถึงหนึ่งค่ำเดือนสี่เนี่ยเดือนห้าเนี่ย แรมสิบสี่ค่ำแรมสิบห้าค่ำแล้วก็ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า่งนแรมสิบสิบสี่สิบห้าเนี่ยเนเดือนสี่มันสิ้นเดือนสี่ขึ้นเดือนห้าเพื่อขอพอรให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นคำสวดทั้งหมดเนี่ยนะเป็นภาษาลังกาไทยเราก็ได้ตำราตรุษที่ชาวลังกาคิดแก้ไขนะมาทำตาม ทีนี้พิธีตรุ์เนี่ยจึงมามีขึ้นในเมืองไทยทีนี้การที่ไทยได้แบบพิธีตร์จากลังกาเนี่ยสมเด็จเจ้าพญาดํารงราชานุภาพท่านก็เลยวินิจฉัยด้วยเหตุสามประการนั่นหนึ่งอาจได้หนังสือตำรามาซึ่งเป็นภาษาสิงหนที่จารึกจารึกลงในใบลานแล้วก็ต่อมาก็มาแปลเป็นภาษาไทยประการที่สองก็มีพระเถระชาวลังกา ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพิธีตรุษเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็บอกเล่าสอนวิธีตรุษส่วนประการที่สมก็คือว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยได้ไปเห็นชาวลังกาทําพิธีตรุษมีโอกาสศึกษาวิธีทําพิธีตรุษแล้วก็นาตารามาในประเทศไทยเากล่าวอ้างสามเหตุนี้ก็ไว้เลยมีพิธีตรุษสํกากัญ มีเป็นเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ว่ากรมพญาดํารงราชานุภาพเขาวินิจฉัยบอกว่าประการที่สามเนี่ยที่ประสงค์ไทยไปมีความไปได้ความรู้แล้วเอาตำราพิธีตรุษมาจากลังกาเนี่ยบอกว่าไอพิธีนี้มีหลักฐานมากกว่างั้นฉะนั้นจึงเป็นได้ความบอกว่าการทําบุญในวันตรุษเนี่ยเป็นการทําของคนที่นับถือพุทธศาสนามาแต่ก่อน ที่มีการประกอบพิธีนี้ขึ้นทีนี้พอมาถึงในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีกรุงสุขโขทยัยในก่อนอายุยามั้ยก่อนนก็มีพิธีนี้ขึ้นปรากฏตามที่นางนพมาศสนมเอกของพระร่วงกรุงสุขโขทยัยกล่าวไว้เกี่ยวกับพิธีว่าคันเดือนสี่ถึงการพระราชาพิธีสัมพัชชาชินโลกสมมติเรียกว่าตรุ ฝ่ายพุทธศาสตร์ชาวพนักงานก็ตั้งบาตรน้ำบาตรทรายจับได้มงคลสูตรใส่ลุงไว้ในรราชพิธีทั้งที่ทิศพระนครและในพระราชนิเวศก็อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรปฏิสถานอาราธนาพระมหาเถรละผัดเปลี่ยนกันมาเจริญพระประวิในราชพิธีทุกตำบลสิ้นที่วาราตีสมวาละ ด้วยมงคลสูตรนั้นชาวพนักงานก็แจกให้พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายใ น, ในฝ่ายนอกไ่ายหน้าเนี่ยนะเมื่อวันเมื่อพระมหาเถระเจรอาตาานาติยาสูตรอาตานาติยาสูตรคือวิปัสสินมวสสูตรเนี่ยพอสวดบทเหล่านี้แล้วเนี่ยทหารก็ยิงปืนใหญ่รอบพระนครฝ่ายพระมาจาร์ก็ประชุมผูกพด ทำกระลาชพิธีในเทวสถานหลวงตั้งเครื่องพีกรรมสังเวยบวงสงเทวลูปทั้งมวลมีภาพรปรเมศวนเป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนเวณกันอ่านอาคมในที่วาราตีทั้งสามคันเพลาคำ่สำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สเสด็จหน้าพระรานลงลาชพิธีสว่างไปด้วยแสงโคมประทีบชวาลาดเป็นต้นประการต่อมาก็คือสดับฟังพระมหาเถระ จำเริญพระรัตนสูตรและอาณาตาทิยสูตรโดยจัดเคารพว่างั้นขั้นลุ่งขึ้นเป็นวันสิ้นปีก็ปณิบัติพระมหาเทระก็คือว่าถวายอาหารวนานข้าวถวายผ้าไตรจีวรเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือประเพณีที่ก็ทําในยุคของสมัยสุขโขทยัยทีนี้พอพูดถึงพิธีต่างๆในที่เนื่องด้วยพุทธศาสนาในพิธีตุตเนี่ย พิธีตุดเ น, เนี่ยตามที่ปรากฏในแต่ก่อนเช่นนิมนต์พระสงฆ์มาสวดานาตาติยสูตรตลอดคืนยังล่มในพระบรมหาราชวังและผู้ที่เข้าอยู่ในพิธีนั้นก็ต้องสวดมงคลพิสมอนและถือกระบองเพชรการที่ได้มีการสวดานาตาติยสูตรนั้นประสงค์จะให้เป็นการระงับภัยอันตรายจากมนุษย์ทั่วพระราชาอาณาเขตตามพระมพุทธานุญาต และให้สวมมงคลพิสมอนและถือกระบองเพชรนั้นเพื่อให้ทราบว่าผู้นั้นเข้าอยู่ในวิธีหรือได้แลเห็นกันว่าสิ่งนี้เป็นมงคลงเงนก็ก็ทาพิธีลักษณะอย่างนั้นส่วนคำว่าสงกรานเนี่ยตรดเนี่ยแปลว่าตัดใช่ไหมส่วนสงกรานเนี่ยก็แปลว่าการย้ายที่เคลื่อนที่การย้าย ย, า ย, ย้ายยังไงธาติศเนี่ยย่างขึ้นสู่ราศีใหม่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ สงกรารเนี่ยเป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได้ชีวิตย่างขึ้นมาปีใหม่เขาเรียกว่ารับปีใหม่ซึ่งอยู่ในวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษาทุกปีแต่วันสงการนั้นน่ยคือวันที่สิบสามเขาเรียกว่าวันมหาสงการวันที่สิบสี่ก็เรียกวันอะไรยรู้ไหมเขาเรียกวนันเนาวันที่สิบห้าเขาเป็นวันเถลิงศก เรื่องของสงการเนี่ยมีปรากฏในสีลาจารึกวัดพระเชตุพนบอกว่าใครไปเคยไปวัดพระเชตุพนไหมวัดพระเชตุพนหรือวัดโพเนี่ยเขามีสีลาจารึกเล่ากันไว้บอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งอ่ะไม่มีบุตรดีไหมบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านนักเลงสุลาไอ น, นักเลงสุลาเนี่ยมีลูกอยู่สองคนมีบุตรสองคนเนี่ยผิวเนื้อเหมือนกับทองอ่ะ ไอคนขี่เมาไมีลกูกได้เศรษฐีไม่มีลกูกวันหนึ่งเนี่ยนะนักเลงสุรานั้นก็เข้าไปกล่าวคำหยาบช้าต่อหน้าเศรษฐีแล้วก็กล่าวบอกว่าเหอุเศรษฐีก็ถามบอกว่าทําไมมหมิ่นประมาทเราผู้มีสมบัติมากไอ น, นักเลงสุราก็ตอบบอกว่าท่านถึงแม้จะมีสมบัติมากแต่ไม่มีบุตรคนไม่มีลูกเนี่ยตายไปแล้วจะศูนย์เปล่าพวกนั้นเรามีบุตรเนี่ย ก็เตือนใจใครก็บอกเขาเรามีบุตรเนี่ยเห็นว่าประเสริฐกว่าว่ามันเศรษฐีก็มีความละอายใช่ไหมันึกในใจเอเดี๋ยวเราต้องมีบ้างก็ทําพิธีบวงสรวงเขาก็ไปบวงสรวงพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งเจตปฏิฐานขอบุตรทําอยู่สามปีก็ไม่ได้บุตรไม่รู้ทําะไรบวงสรวงเนี่ยไม่ได้ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันนักขัดตะเลิกสงกรานเนี่ยพาทิตดก็ขึ้นสู่ราศีเมษซึ่งเนี่ยตอนนี้เศรษฐีก็พาบริวารไปที่ต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของปูงนกริมฝั่งแม่น้ำเนีเอาเข้าวสารล้างน้ำเจ็ดครั้งแล้วก็หุงแล้วก็บูชาต้นไทรเนี่ยแล้วก็ประโคมพินพาตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรอันนี้ไปขอที่ต้นไทร ทีนี้ต่อมาเนี่ยเทวดาในพระใสในที่เอที่อยู่ที่ต้นใสเนี่ยมีความกรุณาเหาะขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ท้าวสกการเนี่ยเนี่ยพระอินทร์ก็ให้ธรรมปาละกุมารธรรมบาลเทพบุตรเนี่ยลงมาถือปฏิสนธิในครันของภรรยาของเศรษฐีอันนี้ได้ฝผลเลยทียนี้ทีนี้ต่อมาก็ตั้งครันใช่ไหม แล้วก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาเบียเสร็จก็โดนบรรดาลให้ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารเสถีก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารปลูกปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่ใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ําต่อมากุมารเนี่ยนะเจริญขึ้นมาเนี่ยก็มีความสามารถไม่ใช่รู้แต่ภาษาคนอย่างเดียวรู้ภาษานกด้วยคือ เรียนจบไตรเพศใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยนกพูดกันนกร้องเนี่ยฟังรู้เรื่องเลยว่าเขาเขาพูดอะไรกันนี่ก็เรียกว่าประเภทที่เรียนจบต่อมาก็ได้เป็นอาจารย์บอกกล่าวมงคลต่างๆเกี่ยมนุษย์มงคลภายนอก เ, เนี่ยนะว่าาไม้อะไรเป็นมงคลหันหน้าไปทางทิศไหนเป็นมงคลแต่งตัวยังไงเป็นมงคลเครื่องประดับอย่างไรเป็นมงคลเนี่ยพวกนี้ก็เก่งใครมีความรู้พวกนี้มั้ย วันอาทิตย์วันจันทร์ทางการพุทธประหัตเนี่ยเขาเขาจะเขาร่วมหมดแหละพวกพวกที่เขาเรียนเรื่องมองคลเขาแต่งตัวบางคนถือหนักขนาดว่าออกจากบ้านก้าวขาซ้ายหรือขาขว า, า, า, าขนาดนึงไม่เคยใช่ไหมบางคนก็ใช้วิธียังไงก็ใช้หายใจก็ว่าถ้าจมูกข้างไหนมันโล่งก็ก้าวขาแ น, น่นอน ก, ก่อนเก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกแม้วันนั้นเวลาไปติดต่อ ง, งานไปอะไรางานก็บอโอ้มันคล่องไม่เกินวันนั้น ไม่ติดคัดเลยอันนี้ไม่ได้แนะนำให้เอาไปใช้เลยถ้าเขาเขาว่ามาันทีนี้ในขนาดนั้นน่ะนะโลกทั้งหลายก็นับถือในยุคนั้นเนี่ยเขานับถือเท้ากบิลลาพรมเขาถือว่าเท้ากบิลลพลมเนี่ยเป็นผู้สร้างสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งก็กลุ่มถือพระเจ้านี่แหลพะพอพูดถึงพระเจ้าเนี่ย มีภิกษูอยู่รูปหนึ่งขึ้นไปบนบนพรหมโลกก็ไปถามถามตามมหาพรหมเอ้ถามจริงเนี่ยท่านเนี่สร้างสรรพสิ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมเนี่ยแกก็เลยเรียกเข้าไปข้างในบอกอย่าพูดดังไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครสร้างเราคือพรหมมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ในในโซนเลยเนี่ย ก็แสดงมงคลแก่มนุษย์ใช่ไหมทีนี้เมื่อกระเวลพรอมนั้นทราบก็ลงมาถามต่อมากบะลพมเนี่ยมาถามธรรมภารละกุมารถามปัญหาอยู่สามข้อปัญหาสามข้อที่ท้ากบิลพรอมถามบอกว่าถ้าแก้ปัญหาได้คือถามปัญหากุมารสามข้อบอกว่าสัญญาว่าถ้าแก้ปัญหาได้จะตัด ศ, รรศีรษะบูชาถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมภา ปลาลกุมารเลยคือเอาศาีราะเอาเป็นประกันกันเลยว่างั้นเอถอะท้าวกรวิลพรมบอกเอาศีรษะเป็นเป็นประกันถ้าท่านตอบปัญหาสามข้อนี้ได้เราตัดศีรษะให้บูชาแต่ถ้าแก้ไม่ได้ท่านต้องตัดศีรษะนั่ปัญหาก็คือว่าถามสามข้อว่าตอนเช้าเนี่ยราสีอยู่แห่งใดตอนเที่ยงราสีอยู่แห่งใดแล้วก็ตอนค่ําราสีอยู่แห่งใดธรรมปลาลกุมารเนี่ย ขพผัดเจ็ดวันเอาไปคิดอยู่หกวันธรรมปลาแลกุมารคิดไม่ออกนึกในใจว่าพรุ่งนี้เราตายแน่แน่ทีนี้ก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราจะต้องมาตายตายด้วยอาญาของก บ, บิลพรมเนี่ยไม่ต้องการแล้วว่านั้นหนีไปดีกว่าก็เลยหนีไปซุกซ่อนลงจากไปปราสาทก็ไปหนีเข้าป่าไปเลยไปอยู่ใต้ต้น ต, นตาลคู่นะ ก็ไปนอนหลับอยู่ทีนี้ในที่ต้นตาลคู่เนี้ยมีนกอินทรีสองตัวผัวเมียเนี่ยเนี่ยมันทํารังกันอยู่บนต้นตาล น, นั้นพอเวลาค่านกอินทรีก็ถามสามีว่าพรุ่งนี้จะได้อาหารจากที่ใดสามีก็บอกว่าโอ้อจะได้กินศพทรมปาละกุมารไงก็ใช่ไหรรมทำมากุมารหูผึงเลยฟังเลยจะกินเราหนึ่งก็บอกเอ๊เท้าเขาบอกว่า ถ้ากบิลพรมเนี่ยจะฆ่าว่างั้นเพราะทายนึกทายปัญหาไม่ได้ธรรมปาละกุมารเนี่ยตอบปัญหาไม่ได้นางนกก็ถามบอกว่า อ, อปัญหาก็ว่าอย่างไงสามีก็บอกว่าเช้าราสีอยู่ไหนลเที่ยงราสีอยู่ไหนค่ำราสีอยู่ไหนนางนกก็ถามบอกว่า อ, อจะแก้อย่างไรวะรอท่านตอบได้ไหมนกที่เป็นสามีก็บอกวุ้ยง่ายนกฉลา่ยกว่าคนนึง แล้วก็บอกอว่าเช้าลาสีอยู่ไหนอาอยุหน้าพรานมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็น้ําล้างหน้าวันเอาเวลาเที่ยงอะ่ะอยู่ที่อกมนุษย์ก็จะประพรมของหอมพรมกันที่อกเอาเวลาค่ำอะอยู่ที่เท้ามนุษย์ก็จะเอาน้ํำล้างเท้าทำมาปาลักุมารได้ยินแล้วก็กลับภาษาทันทีเลยยิ้มกลับไปเลยตนนัวนี้ได้คําตอบแล้วพอลุกขึ้นใช่ไหมก็เวลาพรมมก็มาถามปัญหา ธรรมปราลากุมานก็ก็ต่อตามที่ได้แก่ไปเท้ากบิลาพรมจึงตัดเรียกเทพธิดาทั้งเจ็ดนางเลยนะซึ่งเป็นปริจาลิกาเนี่ยของพระอินมาพร้อมแล้วก็บอกว่าเราจะตัดศรีรษะบูชาธรรมปราลากุมานศรีรษะของเราถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะลุกทั่วโลกไีหมนี้ถ้าหากทิ้งขึ้นบนอากาศฝนก็จะแรงถ้าทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็แย่ สรุปแล้วทิ้งไม่ได้ก็ให้ทิดาทั้งเจ็ดคนเนี่ยนำเอาพานมารับศรีรษะเมื่อตัดศรีรษะแล้วส่งให้ธิดาผู้ใหญ่นางก็เอาพานมารองรับเศียรของบิดาไว้แล้วก็แห่ไปทักศิลรอบเขาศีลสุเนลุเนี่ยอยู่หกสิบนาทีแล้วก็อัญเชิญไปตั้งสถานไว้ในบนดบถ้าคันทะทุรีในเขาไก่ราดแล้วก็บูชาด้วยเครื่องพิมพ์ต่างๆ นี้เวสนุกรรมก็เนรมิตลงแก้วให้เจประการฉะนั้นว่าต่อมาก็คือเทวดาทั้งปวงก็นำเอาของต่างๆนะมาบูชาต่างๆเหล่านี้แล้วคั้นแจกกันทังเวทุกพระองค์แล้วเนะี่ยว่าครบสามร้อย้าวันเนี่ยโลกก็สมมติว่าปีหนึ่งเป็นสงการเทพธิดาทั้งเจนางก็ผัดเปลี่ยนกันอันเชิญ อัญเชิญศีษะของของก บ, บิลพรมนี่คือจารึกไว้ในวัดพระเชตุพน์เนีฉะนั้นลูกสาวทั้งเจดคนของทาง้ากบิลลพรมนั้นน่ะสมมุติเรียกกันว่าตัวสงการมีชื่อต่างๆกันการที่ตัวสงการมีชื่อต่างๆกันนะมีหลักเกณฑ์ก็คืว่าถ้าปีไหนวันที่สิบสามเมษาเป็นวันมหาสงการตรงกับวันอาทิตย์ตัวสงการก็ชื่อว่า ทงสาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าตรงกับวันจันทร์ก็ชื่อว่าโคราคะถ้าตรงกับวันอังคารก็ชื่อว่ารากสดถ้าตรงกับวันพุธก็ชื่อว่ามันมนดาหรือมันธาตรงกับวันพฤหัสก็ชื่อว่ากิรินีตรงกับวันศุกร์ก็ชื่อว่ากิมิธาถ้าตรงกับวันเสาร์ก็ชื่อว่ามโหรทา นั้นถ้าหากตรงกับวันอะไรก็เป็นหน้าที่ของนางที่ชื่อประจำวันนั้นจะต้องไปทาพิธีวันนี้วันสงการตรงกับวันอะไรวันที่สิบสามวันศุกร์ใช่ไหมชื่ออะไรกิมมิธานางสงการชื่อกิมมิธามีมามีหน้าที่มีหน้าที่ในการอัญเชิญอัญเชิญศรีรษะนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ นั้นคือประวัติเขาเรียกตรดสงการถือเป็นวันนักขัั้งเลิกนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกวันขึ้นปีใหม่ความเป็นมาลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ไปหาอ่านได้ในสิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนมีวันสงการเปนอนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเ่านั่นแต่ว่าเออเห็นเป็นวันสงการก็เลยนามานามาขยายให้ฟังว่าเออ ความเป็นมาเป็นยังไงเวลาใครถามได้ตอบได้ใช่ั้มมีสงสัยอะไรไม่สงการไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวขึ้นเรื่องมาปรีนิีพ่าน อต่อไปขึ้นในเรื่องของมหาปรินิพานสูตรครั้งที่แล้วก็บรรยายถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแก่สุนีท้าและวัสการพรามแล้วก็เสด็จกลับที่นี้ในสมัยนั้นนะพรามทั้งสองตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนั้นเบื้องพระประเสดางก็คิดว่าวันนี้ ท่นพับสามนาโคดมจากเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นก็ชื่อว่าโคตมาทวารจากเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาโดยท่าใดท่านั้นก็ชื่อว่าโคตมะติดถักครั้งนั้นแหลประตูที่เสด็จก็ได้นามว่าโคตมาทวารคือพระพุทธเจ้าเสด็จออกประตูไหนก็เลยเรียกว่าโคตมาทวารคือประตูของพระโคดมประตูของพุทธเจ้าและครั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำคงคา สมัยนั้นแม่น้ําคงคามีน้ําเต็มเสมอขอบฝั่งแม่น้ําคงคาเนี่ยเขาถือว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะชาวอินเดียเขาถือว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลออกมาจากปากของพระศิวะที่นั้นเวลาถึงแต่ละปีเนี่ยเขาจะสแสวงบุญกันนักสแสวงบุญของชาวอินเดียเนี่ยเขาใช้เวลาเดินทางกันเป็นแมเดือนเลยเนะเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาเนี่ย เออถ้าใครลองอยากไปดูก็ลองดูเนะี่ยแต่ถ้าไปจริงๆเนี่ยรถวิ่งไม่ถึงต้องขึ้นล้อล้อนี่มันคล้ายๆลาเนี่ยเลยคือจ้างให้แขกเขาเดินเก่งแล้วก็ไปนั่งบนลาเขาจะพาเราเดินไปแล้วเขาจะพาขึ้นไปดูต้นน้ำเลยบนต้นน้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นหิมะข้างบนเนี่ยน้ามันไหลแรงมากไหลแรงจน จนเอามาทาเป็นที่ปั่นกระแสไฟก็ไม่ได้มันแรงจัดนะมันชันมากแล้วแรงเต็มที่เลยแรงเป็นอย่างน้ําตกนั่นน่ะน้ํามันไหลลงมาแมน้ําคงคาก็ถือเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เวลาพวกชาวอินเดียเขาจะทำพิธีทั้งหลายเขาขึ้นไปข้างบนนั่นเขาก็ไปเอาน้ําข้างบนสูงสุดเน่ยเอาลงมาก็มาผสมมาทาพิธีทำฉะนั้นครั้งนั้นน่ะนะ แม่น้ําคงคาเต็มไปเสมอด้วยขอบกาดื่มกินได้มนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งบางพวกก็ใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ใช้ทุนครั้งนั้นพระผู้มีภาคเจ้าก็หายพระองค์จากอีกฝั่งนี้จากฝั่งแม่น้ําคงคาฝั่งนี้นะแล้วก็ไปประทับยืนอยู่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษผู้มีกําลังนะเหยียดแขนเข้าแล้วก็คู่แขนแขนออกเนี่ย แล้วก็บอกทั้งที่บางพวกก็ใช้เรือใช้แพใช้ทุน่นค้นทรงทราบความหมายนี้แล้วก็เปล่งอุทานพระพุทธเจ้าเปล่งอุทานบอกว่าชนเหล่าใดจะข้ามสะหรือห่วงน้ําชนเหล่านั้นต้องทําสะพานผ่านเปือกตมผ่านไปประชาชนยังผูกทุ่นกันอยู่แต่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาข้ามกันไปไม่ต้องผูกทุน่นในอัตถกถามหาธีฆนิกายมหาวัช บ, บอกว่า ผู้ที่จะข้ามสะสะในที่นั้นเป็นชื่อของตันหากามตันหะภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยเพราะตันหานั้นอะข้ามได้แสนยากเพราะว่าทั้งกว้างทั้งลึกใช่ไหมเช่นตันหาที่มันสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยข้ามได้ยากมากทําให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องตกเป็นทาสของตันหาไม่เป็นไทยได้สักทีก็เพราะว่ามันกว้างแล้วมันลึก สร้างสะพานเนี่ยนะคำว่าข้ามสร้างสะพานในการที่จะข้ามตันหาได้สะพานในที่นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติและสมาสมาธิอันนี้เป็นชื่อของสะพานเป็นชื่อของอริยมรรคเปลือกตมก็คือที่ลุ่มเต็มด้วยน้ําข้ามไป ส่วนคนผู้นี้แม้ต้องการจะข้ามแม่น้ำแม้นิดหน่อยก็ต้องผูกแพร์หมายความบอกว่าคนผู้ไม่มีปัญญาทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายเนี่ยแค่จะข้ามน้ำสักสองสามวาก็ต้องทำแพ้ข้ามแล้วทำสะพานข้ามแล้วทำถนนข้ามเป็นต้นแต่ผู้มีปัญญาคือพระพุทธเจ้า สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องใช้แพรก็ข้ามได้แต่บอกว่าส่วนตัณหาเนี่ยพระองค์ข้ามได้ตั้งนั้นแล้วใช่ไหมสาวกของพุทธเจ้าก็ข้ามได้ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าสาวกก็ได้แต่ยังพวกเราทั้งหลายยังไม่ใช่สาวกที่สมบูรณ์ยังข้ามไม่ได้ นั้นถ้าวันใดวันหนึ่งนะได้บรรลุเป็นพระอาริยะอยากจะข้ามไปไหนก็ได้นั่งอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่พอใจตรงนี้อยากจะไปประกออีกโลกหนึ่งก็ไปได้นี่เป็นอย่างนี้พระมหากาจยานะที่บอกว่าปกติชอบไปอยู่ที่บนเสรีวิมานวิมานว่างๆพอขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นจะาตุมเอ๊ เห็นวิมานอยู่หลังเห็นเทวดาอยู่ตนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ก็เลยเทวดาเข้ามาถามถามเ อ, อื้อท่านพระมหาการ ย, ยนะก็ถามว่าเออท่านเป็นใครเนี่ยเทวดาก็บอกจำข้ า, เเาพเจ้าไม่ได้เลยข้าพเจ้าพญาพายาศียังไงเอา้าได้ข่าวว่าท่านเป็นวิชาทิฏฐิท่านมาเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงบอกอ๋อฟังธรรมจากพระกุมารลกัสปะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว เอาทำไมาเป็นสมาธิทำไมมาอยู่คนเดียวอย่างงี้น่าว่าเสียวเงี้ยนี่ถ้าเป็นเทวดาอยู่คนเดียวเอาไห ม, ไมเอาไปทําบุญก็ชวนเพื่อนหนึ่งก็<อ>สนทนากับพระหมหากาจยานะแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อข้าพเจ้าทําบุญโดยไม่เคารพเวลาให้ทานก็ให้ส่งๆไปเงี้ยให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่นอ้นอมน้อม ก็เลยบอกว่าท่านขับไปบอกญาติข้าพเจ้าก็มีญาติเยอะนี่เป็นพระเจ้าเป็นดินจะเป็นเป็นพญาเป็นพย า, ป, พยาปกครองเมืองอ่ะญาติเต็มไปหมดเลยขับไปบอกด้วยบอกต่อไปอยา่าทําทานอย่างพยาปยาสี่นะึพยาปยาสี่เนี่ยผิดาพาดจะและทําทานโดยให้ทานโดยไม่ก่อโลกฉะนั้นเวลามาเกิดโอ้โหมาเกิดอยู่คนเดียววิมานก็หยับหยับอะไรเงี้ยนะก็ก็ให้ไปบอกข้ามหากระยานนะก็ก็รับคําด้วยผลบุญนะนะนะนะนะ ยู่ต่อมาท้าวยาตุมหาลาศทั้งสี่ก็แต่งตั้งแต่งตั้งพยาพยาสีนี่ให้เป็นเทวดาคอยคอยบอกทางทางกุลกันดานคนดีคนดีคนมีบุญทั้งหลายเวลาจะพัดหลงทางเข้าไปในป่าเข้าไปในทางธุลกันดานต่างๆเนี่ยพยาพยาศีก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือมนุษย์ก็เป็นการตอบบุญท่านพอได้ถูกแต่งตั้งโอ้ทําหน้าที่อย่างดีเลย รู้แล้วว่าโทษของการทำให้ถูกเป็นยังไงนี่เป็นยังีงครั้งนั้นแลพระผู้มีภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จจากบ้านปาติริคามถึงหมู่บ้านปาเตระคามเนะี่ยแล้วก็สเสด็จประทับอยู่ในบ้านนะั้นพระองค์กระตัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ได้ตัดจรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดอริยสัจเราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดแล่นไปในเล่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานในสังสารวัตรจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้อันนี้บรรยายไปครั้งที่แล้วอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักดูก่อนภิสูจทั้งหลายอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมักเราตาถาคตตัดจรู้แล้วและแทงตลอดแล้ว ตัณหาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เป็นไปในภพเราตถาคตก็ถอนขึ้นแล้วตัณหานำไปสู่ภพสิ้นรอบแล้วบัดนี้ภพต่อไปไม่มีพระผู้มีภาคเจ้าตรัสวัยากรพาสิตนี้แล้วก็ตรัสประพันธ์พระคาถาว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงเราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงเล่ร่อนไปในชาติทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลตลอดกาลอ น, นยาวเนิน บัดนี้อริยสัจสีเราตถาคตเห็นแล้วตัณหานําไปสู่พบเราก็ถอนแล้วรากเง่าของทุกเราก็ถอนทิ้งแล้วบัดนี้จักไม่มีการเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นการปฏิญญาณอย่างชัดเจนใลนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เกิดอีกแล้วเมื่อเช้านี่ฟังเศรษฐีท่านหนึ่งนะเป็นเศรษฐีขายรถเขาเขาก็เชิญตัวมาสัมภาษณ์ก็ถามว่า เออใช้ชีวิตครอบครัวยังไงเขาก็บอกว่าเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็ให้ลูกสาวก็ทําธุรกิจเขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยเขาอยู่กันอย่างชนิดที่ว่าไม่ต่อว่าต่อขานซึ่งกันและกันมีความสุขคือปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างนี้ยแล้วก็บอกภรรยาบอกว่านี่คุณก็ว่าอย่าได้อธิษฐานไปร่วมกับฉันอีกในชาติหน้าฉันไม่เอาอยู่แล้วพอแล้ว นีฝ่ายผู้หญิงก็ถามบอกว่าเอ๊ะแสดงต้องการไปมีคนใหม่อีกใช่ไหมก็บอกไม่แล้วเขาไม่ใช่เขาบอกแค่แค่าคาชาติเดียวที่เขาเขาทีาาการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เช่นจามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ออโห่ก็เจอปัญหาเลยสารพาัดใช่ไหมแล้วถ้าเรามาคิดพิจารณาดูอย่างชีวิตเราท่านทั้งหลายที่ร่วงการบานไว้กันมาพอสมควรมันถ้าเอามานั่งคิดดูจริงๆแล้วโอ้โหใช่ไหมมันเห็นอะไรมาเยอะ พขบอกว่านี้ทุกเนี่ยเข้าใจแล้วว่ อ, อนคืออะไรไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรกบอกว่เหมือนอย่างที่ว่าถ้าคนมีปัญ ญ, ญาหน่อยนะเหมือนที่ภาษาลิบุตรเยจะปร่งผมให้กขาประสิวลีก็จะอธิบายคําว่าทุกประสิวลีตอนนั้นยังเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบบอไม่ต้องพูดพระคุณเจ้ามีหน้าที่โปร่งผมปร่งผมไปเลยส่วนเรื่องทุกเ ข, ข้าจะเ้าคิดเองคือมันเห็นมาหมดแล้วความทรมานต่างๆเหล่านี้ อย่างคนที่ร่วมการผ่านวัยมาถ้าเอาชีวิตมาปูดูจริงๆมาตรวจสอบมาพิจารณาดูจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเห็นฉะนั้นในขณะที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าเสด็จอยู่ในหมู่บ้านโกติคามนั่นนะเนี่ยก็แสดงธรรมมีระถาแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นนั้นมากแล้วเสด็จต่อไปยังหมู่บ้านนาธิกะพอประทับในเรือนรับรองที่ก่อด้วยอิฐแล้วเนี่ย ครั้งนั้นแลพระ อ, อนุนก็มาทูลแล้วก็กราบบอกว่ากราบทูลบอกว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญภิกษุชื่อสาระหะทํากาละในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพบข้างหน้าเป็นอย่างไรคือพระ อ, อนุนก็ถามคติของภิกษุภิกษุที่ชื่อว่านันทาทากาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกะมีคติอย่างไรมีภพข้างเบื้องหน้าเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า อุบาสกชื่อว่าสุทัตถะทํากาละในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพบถึงข้างหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาชื่อว่าสุชาดาทํากาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพบเป็นภายข้างหน้าอย่างไรอุบาสกชื่อว่าสุภัตตะทํากาละในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพบข้างหน้าเป็นอย่างไรก็ถามอย่างนี้นะแม้ดีนะพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเอคนตายปุ๊บเนี่ยถามคติได้เลย แต่อย่างพวกเราเนะี่ยถ้าย่าตายไปแล้วถามจะไปเกิดที่ไหนมืดแปดด้านเลยเนะียคิดไงคิดไม่ออกมีแต่แต่มากถ้าคนจีนเขาจะบอกเดี๋ยวนี้เขาจะหลอกเด็กๆนะพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายยายตายเขาบอกตายไปไหนบอกไปสวรรค์ไม่รู้ไปที่ไหนแต่เขาให้พูดคําว่าไปสวรรค์ด้วยก่อนแต่บอกว่าไปตกนรกเนี่ยเราถ้าพูดองี้ก็กดกันแน่นอน ก็ต้องบอกไปสวรรค์หนังจีนเหมือนกันต้องใช้มามาจากนังจีนเนี่ยทั้งๆที่ฆ่าคนตายมาไม่รู้เท่าไหรแล้วพอตายเปเสร็จก็บอกว่าไปสวรรค์โอ้โหฆ่าคนตายทั้งชีวิตพอตายแล้วบอกให้ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้พระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงมีพระดำรัสว่าดูก่อนานนภิกษุชื่อว่าสาระหะทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตหาอาสวะมีได้ พ่อสวะทั้งหลายสิ้นไปคือการมาสวะภาวะสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะสิ้นไปแล้วด้วยปัญญารู้ยิ่งด้วยตนเขาเข้าถึงทิฏฐธรรมแล้วเป็นผ้าหาันถ้าถามว่ามีกติอย่างไรบอกว่าปรินิพานแล้วภิกษุชื่อว่านันทาเพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้ากามราราคาสังโยชน์ปฏิค้าสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์สีรพตาปรมาสาสังโยชน์เนี่ยสิ้นแล้ว เป็นผู้ผุดเกิดขึ้นปริญญาพานในชั้นสุดทาวาสเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาเพราะเป็นบ่านาคาในในมนุษย์นะเป็นพระจะไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชั้นสุดทาวาสคำว่าชั้นสุดทาวาสแต่ก็แปลว่าชั้นของผู้บริสุทธิ์รูร้ป่าคนที่จะไปเกิดในห้าชั้นนี้ได้เนี่ยมีข้อแม้ว่าหนึ่งต้องเป็นว่านาคาสัโยอดเบื้องต่ำห้าจะต้องละคือจะต้องละเพราะกามาลาคะ ละพวกปฏิฆะละพวกทิฏฐิละพวกวิจิกิจฉาศีละพตาพวกเนี้ละกิเลสที่มันเป็นเหตุแห่งการฉุดดึงอยู่ในกามาภูมิเขาต้องบอกว่าบ้านนาคาเนี่ยจะไม่กลับมาสู่กามาภูมิแล้ถ้าใครก็แล้วแต่นะบรรลุได้ตติยมามรักษ์ที่สามเป็นบ้านนาคาเนี่ยไม่กลับมาแล้ว ต้องให้ญาติพี่น้องบอก้อยกลับมาเธอกลับมาเธออ้อนวนอนยังไงก็ไม่มาแล้วจักไปถือปฏิสนธิในชั้นสุท้าว่าจะปนี่เป็นอย่างนี้อุบาสกที่ชื่อว่าสุทัตตะเพราะสัญญอดันเป็นส่วนเบื้องต่ำสามสิ้นไปราคะและโทสะโมหะเบาบางเป็นพระสกาทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจักทําที่สุดแห่งทุกได้บอก อ, อุบาสกที่ชื่อสุทัตตะเป็นพระสกาทาคาเนี คมว่าพัสกาทาคาเนี่ยจะกลับมาสู่โลกนี้ก็เพียงถ้าจะมามาครั้งเดียวแล้วก็จะนิพพานแล้วอุบาสกที่ชื่อว่าสุภัตะเพราะเขาสิ้นสัญญอดังเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นปฏินิพพานในชั้นสุดท้าวาาเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกส่วนอุบาสกนี้เป็นว่านาคาเนี่ยนั้นไม่กลับมาสู่โลกนั้นดูก่อนอานน์อุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นทิกะ ห้าสิบคนทำกาละแล้วเพราะสินสัญญอดอันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นปริมิพานในัชั้นสุดทาวาสเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาบอกว่าเนี่ยห้าสิบคนเนี่ยนะเป็นผู้ไปเกิดในชั้นสุดทาวาสเดี๋ยวนี้ในสุพันมีบ้างไหมไม่มีเล นีใครกล้าประกาศไหมบอกว่าโอ้ถตาตายแล้วจะไปอยู่ในชั้นสุดท้าว่าสมัยก่อนเนี่ยผ้าอริยะนี่เดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยไปที่ไหนก็มีแต่ผ้าอริยะน่าชื่นใจฉะนั้นสังฆังสรารณนังก็ฉามนี่นี่เต็มไปหมดเนี่ยนี่หาแ้บไม่เจอเลยนี่เป็นอย่างนี้เนีย<ช>อุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านนันทิกะกว่านะ กว่า96คนทำกาละแล้วพรอสิ้นสัญญาณจะเป็นไปส่วนเบืองต่ำาาสามพ่อราคาโทสาวมหาเบาบางเป็นพสกาคาทาค า, ามีเนี่ยจักมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและจักทาที่สุดแห่งทุกได้เป็นพสกาเฉพาะหมู่บ้านนี้นะที่เป็นพสกาทาคาเนะี่ยมากกว่า96คนอุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านนาธิกาเนี่ยกว่าเล่าห้าสิบคน 5้าร้อยกว่าคนนี่นไปธรรมดาใช่ไหมสิ้นสัญญาอจะเป็นส่วนเบื้องต่ำสามกะ ä, ก็มีอะไรมีวิจิกิจฉาสัญญาทิฏฐิสัญญาณปรมาสสัญญนเป็นพระโสดาบานันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนที่จะตัดทรุ้ในภายหน้าข้อนั้นไม่เป็นสิ่งอัศจรรย์ เป็นมนุษย์พึงทำกาละเมื่อบุคคลนั้นๆทำกาละแล้วเธอทั้งหลายจะเข้ามาหาตถาคตแล้วถามเนื้อความนี้ดูก่อนานนท์ข้อนี้เป็นการเบียดเบียนตถาคตโดยแท้ดูก่อนานนท์เพราะเหตุนั้นเราตถาคตจักแสดงธรรมปริยายชื่อว่าแว่นธรรมไว้เพื่ออริยสาวกรูปใดประกอบด้วยธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าแว่นธรรมนั้นแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรตนด้วยตนเองว่า ฉันมีนรกสิ้นแล้วฉันมีกําเนิดสารสิ้นแล้วฉันมีเปรตติวิสัยสิ้นแล้วฉันมีอบายทุกขติวนิบาศสิ้นแล้วฉันเป็นพระโสดาบานันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้ไม่นอนจะตัดสรู้ในภายหนะ้าพระเจ้าบอกว่าโอ้โหถ้าให้สถาคตคอยพยากรณอย่างเงี้ยเบียดเบียนสถาคตวัวงั้นเนี่ยงั้นเหนื่อยใช่ไหมใครมาหากระถามเออคนนี้เป็นอะไร มันรู้เป็นพระโสดาบันพระสกาทาคาพผ้านาคาหรือเป็นพระอระหันเนี่ยโอ้เบียดเบียนแตถาคตรเท็โดยแท้เลยทีนี้พระเจ้าไม่มีเวลาพักผ่อนแน่ๆเยอะแยะหมดเลยะ oh. e ok, ก็ต้องประหยัดอ๋อพระเจ้าก็เลยบอกงั้นแตถาคตจะกล่าวแว่นทำแว่นส่องทำเนะี่ยเป็นกระจกไนะเอาไว้ส่องตัวเองว่าเป็นพระโสดาบันหรือยังเป็นพระสกาทาคาเป็นพผ้านาคาเป็นบ้าหลานหรือยังเรามีแว่นทำกันนี่ไง แต่ได้ไปส่องดูว่าเออต่อไปไม่ต้องถามใครแล้วว่าเราได้แค่ไหนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนนะนนท์อริยาสาวกในพระาศาสนานี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ประการที่หนึ่ง น, นะมีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระพุทธประการที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยวด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม ประการที่สเป็นผู้ประกอบด้วยศรัท ธ, ธามีความเลื่อมใสไม่อวันไหวในพระสงฆ์ประการที่สี่เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกัรตะศีลทั้งหลายก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดงังไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อนเป็นไปเพื่อสมาธิดูกรพิสูจน์ทั้งหลายธรรมปริยนี้ชื่อวเวน่นธรรมเนี่ซึ่งอริยาสาวกปรารถนาพึงพยากรณ์ได้โดยตนเองว่าฉันมีนาลก ฉันมีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตติละฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาศสิ้นแล้วฉันเป็นพระโสดาบันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้แนนอนจะตัดสรุปในภายภาคหนา้าฉันเป็นพระสกาทาคาฉันเป็นพระอนาคาฉันเป็นพระอราหันเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่ามีแว่นทำสี่ประการเนี่ยพยากรณ์ตนเองได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะ ก็คือว่าเราก็มาตรวจสอบดูว่าเออเราเนี่ยศรัทธาในพระผู้มีภาคเจ้าแบบเลื่อมใสแบบไม่หวั่นไหวไหยแบบประเภทที่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอริยกันตศีล คำว่าอาริยกันตศีนก็แปลว่าศีลที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอิงแศัยหรือมาเข้ามาแปรเปื้อ น, นรักษาศีลด้วยจิตที่ปุดผ่องรักษาศีลด้วยด้วยชนิดที่ไม่ได้หวังสวรรค์ไม่ได้หวังทรัพย์สมบัติเนี่ยแต่รักษาศีลเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเจริญสมาธิและปัญญาที่สูงสุดเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแหวนทอรนึลยอันนี้พอจะมีไหมเนี่ย คำว่าโกติคามได้แก่บ้านที่สร้างไว้ท้ายปราสาทของพระเจ้ามหามหาปมาทะบทว่าอริยสัจจานังอริย ส, สัต์สัจจะที่ทําให้เป็นผ้าอริยอนนุโพธาเพราะไม่ตัดจรู้เพราะไม่ตัดจรู้ทุกโดยการกําหนดรู้เพราะไม่ตัดรู้สมูทัย้วยการละว่าไม่ตัดจรู้นิโรธดด้วยการทําให้แจ้งเพราะไม่ตัดจรู้อริยามรด้วยการเจริญ นี่แหละเพราะไม่ได้ตัดจรู้นี่แหละเราและตถาคตทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้แต่ถ้าเพราะได้ตัดจรู้ใช่ไหมตัดจรู้อะไรตัดจรู้ทุก้วยการกําหนดรู้ตัดจรู้สมุทัย้วยการละตัดจรู้นิโรธ้วยการทําให้แจ้งแล้วก็ตัดจรู้อริยมรดยด้วยการเจริญเพราะได้ตัดจรู้เนี่ยเราคือตถาคตและเธอทั้งหลายจึงไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิด จึงได้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้ดีนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นะอปติเวทาแปลว่าเพราะไม่แทงตลอดไม่แทงตลอดทุกเป็นต้นสันธาวิตังได้แก่แล่นไปโดยไปจากพบสู่พบอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยแล่นจากอะไร แล่นจากพบส Listen, ู่พบแล่นจากกามมพบสู่กามมพบแล่นจากกามมพบสู่รูปะพบแล่นจากกามมพบสู่อารมะพบก็่ามีบางกลุ่มก็แล่นจากกามมพบแล่นจากอารมะพบสู่กามมพบแล่นจากอารมะพบสู่รูปะพบแล่นจากอารมะพบสู่อารมะพบมันออกจากพบก็ไปสู่พบมันออกจากพบไม่ได้ใช่ไหมอะไรเป็นปัจจัยแก่พบอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจัยแก่พบทั้งกรรมมพบและอุปาติพบเนี่ยพร้อมก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็เป็นปัจัยแก่ชะลามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนาสัยและก็อุปาญาติความเกิดขึ้นเห็นกองทุกข์ทัง้ทงมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นไปด้วยการอย่างนี้เขาจากขันสู่ขันจากพบสู่พบจากพบน้อยพบใหญ่เป็นไปตามลําดับก็บกว่านี่ปัจจุบันใช่ไหมเรามาก็เจอกันอย่างนี้ เดี๋ยวไปกระถูต่างคนต่างไปเลยไปคนละทิศละทางเลยเนี่ยพอไปพบเนี่ยวิ่งหากันไม่เจอเลยเพราะอะไรรู้ไหมโหสังสารวัตรนี่มันมันกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไปสารมากบางทีไปเจอกันก็จำไม่ได้แล้วได้แต่คุ้นๆ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเองมันจำไม่ได้เลยลึกไม่ออกอันนี้ บางอย่างกลุ่มที่เคยเกียดชังกันนี่ก็จะก็ไปเหมือนกันโดยมากก็ไปก็พอเห็นพวกก็ไปเกียดกันอีกแล้วไปทํากรรมที่ไม่เหมาะสมใส่กันนี่มันย้อนอดีตไม่ได้ใช่เลืกระลึกอดีตได้ก็หโวเรานี่เล่นกันมาหลายภพชาติเลยบางทีมาปัจจุบันชาติบางชาตินี่นะบางชาติที่เคยกันแกล้งกันเคยฆ่ากันเคยเป็นศัตรูกันเคยยกกองทัพห้ำหันกันเคยวางยากันเนี่ยมันมันเป็นใบลักษณะอย่างนี้ บางชาติก็โห่สนิทสนมกันเหลือเกินอย่างเงี้ยฉะนั้นในขณะที่คนเราอยู่ด้วยกันเนไม่ได้ทําความดีใส่กันเสมอเลยมักมย้ก็มีเรื่องไม่ดีให้กันแล้วกันก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่ก็เราจากพบสู่พบสังสาริตังก็ได้แก่ท่องเที่ยวไปโดยไปไ ป, ไ ป, ไปมามาร่ําไปเดี๋ยวไปไปมามาไปไปมามากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็มาตรงนี้อีกแหละเหมือนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทเนี่ยพอเห็นโลกสุกรปุ๊บเนี่ย พระเจ้าแย้มพระอดแล้วอก ม, มาตรงนี้อีกแล้วคือเห็นป๊บรู้ทันทีใช่ไหมโมโหแต่ก่อนเป็นผู้ยิ่งใหญ่เคยเป็นยันทิดาของพระลาชาไปไปมาเขามาเกิดแค่เป็นหมูเองฉะนั้นที่เราเดินเดินผ่านไปเนี่ยเราเห็นหมูเห็นสุ น, นัขเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าคิดว่าเขากระจอก ง, อกง่อยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ เราเคยสวามิภักข์เข้ามาแล้วก็มี น, นั่นี่แต่มาชาติเนี้ยเราเรายืดได้หน่อยแต่โดยอัธยาเขาก็บอกเราใช่ไหมเก็บอกเอออย่าอย่ายืดไปเลยแต่ก่อนเราใหญ่กว่าท่านเรายังกระจอกขนาดนี้เลยกคนนึงมีพระอยู่รูปนึ่งนะเออไม่ใช่ไม่ใช่รูปเดียวหรอกตั้งหลายรูปเดินไปเดินก็เล่นกันไปหยอกกันไปคุยสนุกสนานกันไปเดินเดินเดินไป คล้ายๆว่าไปเดินทุดงไปเงี้ก็ไปเจอชายคนหนึ่งลาสันแบบไอ้หาบทานเนะ่ยคนหาบทานนี่ตัวก็ดำปีหมดเลยผมก็หงิกงอไม่ได้ไม่ได้ไไดวีน ไ, ได้สางอะไรแนละ้วพอพระเดินไปพระก็ล้ อ, อ ก, กันว่าเออเนี่ยพ่อนี่โยมพ่อท่านเนะนี่ยนี่เพื่อนท่านนะ่ยอะไรเงี้ยหลอกหยอกล้ อ, อ ก, กันเนะ่ย ยมยมได้ยินเบเสร็จยอมก็ทิ้งฐานมาแล้วยกมือไหว้แล้วก็บอกท่านผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมบวชเนี่ยผมได้ฌานสมาบัติมือผมที่กลั่นนะปัจจุบันเนี่ยผมสามารถรูปพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ผมยังเป็นแบบนี้ว่าหนึ่งผมตอนผมบวชอยู่ผมไม่ไม่ขนองเหมือนพวกท่านทั้งหลายด้วย ดังนั้นท่านจะปะมาพระเอานั้นก็เลยเงียบก็เป็นเรื่องทําให้คิดว่าเห็นไหมว่าแต่ก่อนเคยยิ่งใหญ่ขนาดไห น, นแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยพอบาปอากุศลกรรมมันซัดขึ้นมาตกต่ำขนาดนั้นถึงขนาดต้องไปเผาฐานขายเลยจะ <c oughs> เป็นกี่ข่าผู้หญิง <c oughs> เห็นไหมเนเป็นอย่างนี้เรื่องสังสารวัฏนี่โอ้โไม่ได้แล้วมันกลับไปกลับมาอย่างงี้แค่ขนาดในปัจจุบันนะพบอย่างเงี้ ถ้าหลายร้อยหลายล้านพบแล้วไม่ต้องกลัวภพะวเนติสมุหาตาได้แก่เชือคือตันหาไอ้เชือคือตันหาอันสามารถนำสัตว์จากพบสู่พบนั้นเชือคือตันหาเนี่ยเขามีหน้าที่ว่าเขามัดสัตว์เขาว่า ไอตัวกามราคะสังโยชน์ภาวะราคะสังโยชน์รูปราคะสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยไอตัวนี้จะเกี่ยตัวตัณหามันเหมือนเชือกเนี่ยเขาคล้องคอสัตว์ไว้เขามัดไว้กับภพบนั้นบางทีเนี่ยเขามัดเราไว้ในกาล ม, มาภพไม่ให้เราออกจากกาล ม, มาภพได้ใยเชือกนี้บางทีเกิดเป็นมนุษย์เราหูเรายินดีพอใจมากในการเกิดเป็นมนุษย์ทําบุญแต่ละครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานอ้ยขอให้เกิดได้อัตภาพเป็นมนุษย์ บางกลุ่มก็เป็นเทวดาบางกลุ่มก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายมันดึงไว้อย่างนั้นน่ะมันออกจากภพไม่ได้นี่คือเชื่อคือตัณหาถึงบอกว่าเชื่อคือตัณหาอันสามารถนาสัตว์จากภพไปสู่ภพแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันเราและพวกท่านกําจัดแล้วตัดแล้วทำให้เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปแล้วด้วยดีแล้ว การจะตัดเชือกคือตัณหาเนี่ยจะต้องตัดด้วยอริยมรรคใช่ไหมมีโสโดาปฏิมรรคสกาธาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตมรรคถึงจะตัดเชือกที่ยึดโยงสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพได้แต่ถ้าหากจะตัดเบื้องต้นต้องเจริญวิปัสสนานีเจริญวิปัสสนาพิจารณารูปนามให้เห็นด้วยความเป็นรูปนามพิจารณาหเห็นด้วยความ ให้เห็นเหตุปัจจัยของนามรูปเหล่านั้นพิจารณาเหตุปัจจัยและท้องทั้งรูปนามเหล่านั้นโดยความเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาจนสามารถละฉันทราคะแบบแต่ทางข้าปรหารได้ น, นี่ก็เรียกว่าตัดเบื้องต้นเริ่มทำที่อยงตัดเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าตัดตัญหา บทว่านาธิกาได้แก่บ้านสองตำบลของบุตรบุตรของอาและของลุงซึ่งทั้งสองเนะี่ยอาศัยสะเดียวกันนาธิเกก็คือหมู่บ้านญาติตำบลหนึ่งส่วนอาสวะสังโยชนเบื้องต่ำเบื้องสูงและการาลากิเลส ข, ของภาริยะเจ้าจักไม่อธิบายเนะี่ยจะไม่อธิบายในรายละเอียดตรงนั้น คือถ้าไปอธิบายการละกิเลสแต่ละมรรคเนี่ยเช่นโสดาปฏิมรรคละอะไรสกาธาคามีมรรคนาคาอะไรธรมรรคคือเคยอธิบายไว้หลายครั้งต่อไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจเจ้าก็เสด็จจากหมู่บ้านนาธิกะแล้วก็ไปที่นครเวสาลีพอไปเสด็จประทับที่อัมพปาลีวันอัมพปาลีวันนี่เป็น สวนมะม่วงของนางอัมพปาลีกันนี่กันครั้งนั้นพระผู้มีพรภาคเจ้าก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนั้นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาละ ธรมนัตในโลกเสียได้อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาม protein, uh ีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทรมนัตในโลกอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้มีพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทรมนัตในโลกทั้งหลายอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในภาษาสนานี้พิจารณาหินธรรมในธรรมมีสติมีสัมปชัญญะกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้เข้าใจอย่างการมีสติการมีสติก็คือเจริญอะไรเจริญสติปัฏฐานถ้าเหมือนที่บอกว่า ้วมีสติเราบอกเออจงมีสตินะเนี่ยแต่ไม่รู้มียังไงใช่ไหมแต่ถ้าบอกมีสตินี่จะต้องเจริญสติปัฏฐานคือว่าพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานะในโลกเสดได้อยู่ก็ตรงเนี้ยถ้าถามบอกว่าพิจารณาเห็นกายในกาย กายนี้เป็นขันอะไรเป็นรูปประขันใช่กายเป็นรูปประขันมีความเพียรความเพียรในที่นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคคือสัมมาวายมรมีสติก็คือเป็นชื่อของสัมมาสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิกำจัดส่วนในตัวกำจัดนั้นเป็นชื่อของสัมมาส ม, มาธิ สรุปแล้วก็คือว่าในอริยในสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนองคุณของการปฏิบัติก็คือว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิสอนมรคไปกี่มรคสี่มรคส่วนสัมมาวาจาสามากรรมตาสามาอาชีวะเหลือก็สัมมาสังกปปะ อันนั้นชื่อว่ากล่าวแลยเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะสอนสติปัฏฐานเนี่ยสีนเนี่ยนะจะสอนให้กับคนมีศีลหรือคนทุศีลต้องมีศีลอยู่แล้วฉะนั้นสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะต้องบริบูรณ์มาแล้วนะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุศีลแต่ต้องการจะปฏิบัติให้พ้นทุก์เนี่ยไม่ใช่ฐานนะฉะนั้นในกายานุปัสสนาเนี่ทรงสอนหลายรู ป, ปขันเวทนานุปัสสนาก็สอน เวรณาขันธ์จิตตานุปัสสนาก็สอนวิญญาณขันธ์ส่วนธรรมานุปัสสนาสอนสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สรุปแล้วก็สอนสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็คือสอนขันธ์ห้านี่สอนรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณมีความเพียรมีสำเพัญญ่มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัตในโลกเสียได้ นี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าถามว่ามีสตินะมีอย่างไรก็บอกว่ามีสติก็คื อ, คอจเจริญสติในสติปัฏฐานสี่นั่นเองเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและก็ธรรมานุปัสนาอันนี้เป็นผู้มีสติอย่างไรก็ตอบเป็นอย่างนี้ถ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรให้ตอบก็ได้ไหมเนี่ย มีสัมปชัญญะก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้เป็นผู้ทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการก้าวไปข้างหน้าและในการถอยกลับบาลีใช้คําว่าอภิกกันเตปฏิ ก, กันเตสัมปชานากาลิโยติแล้วก็เป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอในการแลดูในการแลเหลียวแลตรงแลเหลียวอ่ะแลตรงก็แลยังไง แลไปตรงๆเนี่ยถ้าแลเหลียวแลอย่างไงและรอบทิศหมุนรอบทิศเลยแต่ไม่ใช่หมุนคอรอบเลยคอหมุนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเหลียวเนี้ยคาว่ามีเป็นผู้ทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลในการเหลียวเออในสติปัฏฐานนี่นะในการในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับเออก้าวนี่แปลกอยู่อย่างนะในสติปัฏฐานบอกว่า เช่นในการถ้าเอียบทยืนเนี่ยนะเอียบทเดินเนี่ยในการเดินไปข้างหน้าเนี้กว่าก้าวไปถ้าเดินกลับนี่เรียกว่าถอยกลับไม่ใช่ว่าเดินไปขากลับก็ถอยหลังเดินกลับไม่ไม่ใช่นะถอยกลับก็คือหมุนตัวแล้วก็กลับมานี่เรียกว่าถอยกลับนี่เอียบทเดินเอียบทดนั่งอีบะเอียบทยืนก็มีการก้าวไปและถอยกลับเช่น ถ้ายืนอยู่เนี่ยนะถ้ายกหน้าไปข้างหน้าเนี่ยยื่นไปข้างหน้าหน่อยนี่เรียกว่าก้าวไปถ้าเอ็นตัวมาข้างหลังหน่อยนี่เรียกถอยกลับนั่งเหมือนกันนะถ้าช ย, ยกงกหน้าเลยไปอาสนานดิดหน่อยนี่เรียกเก้าวไปถ้ายกายกลับมาข้างหลังเรียกว่าถอยกลับถ้ายะบทนอนล่ะก็คือพลิกไปพลิกมานี่ก็เรียกว่าก้าวไปแล้วก็ถอยกลับฉะนั้นการก้าวไปแล้วถอยกลับในพุทธพจน์เนี่ย พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอียาบทมีคําว่าก้าวไปและถอยกลับมาเทั้งยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นเป็นการทําสัมปชัญญะนะให้มีสติรู้สึกแล้วก็สัมปชัญญะในการรู้ตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปและถอยกลับการรู้เขารู้ยังไงเช่นในการก้าวไปเนี่ยรู้จิตที่คิดจะก้าว รู้วายโยธาธาตลมที่อยู่ในกัรยาฉกายที่ทําให้อียาบทมีการก้าวแล้วก็รู้อียาบทที่ก้าวการถอยกลับก็เหมือนกันเออถ้าไปรู้เห็นอย่างนี้ก็จะเพิกคําว่าสัตว์บุคคลออกไปได้ส่วนในการแลในการเหลี่ยวนี่ที่บอกว่าพระนันธาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนันธาเนี่ยถ้าจะมองในทิศเหนือทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องขวางทิศเบื้อง บนเบื้องล่างเป็นต้นเหล่านี้ยท่านก็จะประมวลประมวลทั้งหมดบอกว่าอภิชาและโทมนัอกุศลธรรมารามกจะไหลท่วมทับจิตใจของท่านมือเออพวกเราก็เอามาใช้ได้นะเช่นในการในกรณีที่เราจะเหลียวซ้ายแลขวาเป็นต้นเหล่านี้ยให้คิดก่อนใช่ไหมเช่นว่าเราเดินเดินไปเนี่ยถ้าคิดว่าเอ๊จะมองด้านขวาเนี่ยให้คิดก่อนว่า เออถ้าเรามองด้านนี้แล้วมันจะเสียหายไหมถ้าไปเห็นหน้าใครบางคนขึ้นมาเนี่ยไอ้โทรศัพมันจะโลดแล่นในใจเราหรือเปล่าใช่ไหมโดยมากเราไม่ได้คิดมุมเนี้ยนะอยากเหลียวเมื่อไหร่เหลียวทันทีแล้วก็เป็นไปตามอำเภอใจตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้กําหนดในการคู่เข้าและเหยียดออกเคยทําถึงขนาดนี้ไหมถึงขนาดจะหยิบอะไร แล้วก็เหยียดไอ้คูเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้รู้ตัวผู้พร้อมในการทรงผ้าสังกัดตีและบาทและจีวรเราก็แต่งตัวเนี่ยในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มเป็นผู้ทําความรู้ตัวเสมอในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้ทําความรู้ตัวเสมอในการเดินในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดและในการนิ่งโดยการพลิกษูทั้งหลายพิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลายชนิดพระเจ้าก็บอกว่าไอ้คําว่าสโตเนะี่ยแปลว่าระลึกได้สัมปชาโนก็แปลเพราะรู้ตัวเป็นผู้ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะอยู่ผู้ศึกษาพึงดูรายละเอียดอย่างนี้นะ่ยลายละเอียดก็คือว่าตรงเนี้ยเราเคยศึกษากันมาแล้วว่า ในรายละเอียดเกี่ยวนในเรื่องของการทาสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเราบอกว่าเ ร, เราจะทำสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะทำยังไงเอา้าอย่างสมมติว่าเราเราเดินไปทํากิจอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราเราจะคิดยังไงโดยมากเราจะไม่ก็คิดละเอียดกันเท่าไหร่แต่ถ้าในทางคำสอนเนี่ยท่านสอนคิดละเอียดนะ ท่านสอนให้วิจัยวิจัยถึงอิรียบวดวิจัยถึงวาโยธาดวิจัยที่จิตที่คิดก็คือพยายามทำให้ให้จิตเป็นไปกับกุศลให้มากสรุปก็คือถ้าจเจริญพวกกรรมสามที่เป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเนี่ยเราก็จะได้บุญจากการจเจริญลักษณะอย่างนั้นครั้งนั้นนะ่ะนะนางอัมพปาลีคณิกาได้ยินข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนครเวสาลีแล้วก็เสด็จประทับในสวนมะม่วงใกล้พระนครเวสาลี